พระโพธิสัตว์ตอนที่ประสูติออกมาพระองค์ก็งามเด่นฉะ น, นั้นปาฏิหาริย์เนี่ย น, นะคือปรากฏการณ์ที่น่าอัศจรรย์สามสิบสองประการเป็นต้นเนี่ย น, นะในขณะปฏิสนธิประสูติจากพระคันก็มีเหมือนที่กล่าวแล้วในทีปังกรพุทธวงศ์พระโพธิสัตว์ของเรานั้นเนี่ย น, นะขอขอภัยพระโพธิสัตว์โสพิตะพระพุทธองค์นั้นเนี่ยครองคารวาิวิสัยอยู่ประมาณหมื่นปี เมื่อพระโอรสพนาวสีหกุมารทรงถือกำเนิดในพระคันของพนางมณิอมักีลาเทวีเนี่ยนะก็คนเดียวไล่ชื่อได้นะหรืออาจจะเรียกชื่อว่ามักกีลาก็ได้หรือว่ามณิลาอ่มักลาก็ได้พระอัครามเมหสีนะซึ่งเป็นยอดหรือว่าเป็นหัวหน้าประธานของสนมนาสนารีประมาณเจ็ดหมื่นนาง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 พ่อลูกได้ลูกไม่ค่อยเรียกว่าเทวทูตสักเท่าไหร่เพราะอะไรเพราะว่าความรักของบิดามารดาทั้งหลายก็จดเยื่อในกระดูกก็เลยลืมว่าเป็นเป็นทุกข์เป็นเหตุแห่งทุกข์ใช่ไหมมีแต่ความภาคภูมิใจมีแต่ความปราบปลื้มใจเนี่ยนะเพราะว่าโดยปกติคนที่ไม่มีปัญหาครอบครัวเนี่ยนะครอบครัวที่อบอุ่นมัอนการได้ลูกนั้นถือว่าเรียกว่าเป็นนิมิต ท, ที่ดีของครอบครัวนั้นนเนี่ยนะนะนะ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 พระอง์ก็อธิษฐานเป็นนักบวชอยู่ในปราสาทนั่นแหละเจริญอาณาปานสติสมาธิในปราสาทนั้นนั่นแหละก็ได้ฌานสี่ส่งบำเพ็ญเพียรอยู่ในปราสาทนั่นแหละเนี่ยนะเจริญสมถะวิปัสนาพิจารณาธรรมะเป็นเครื่องช่วยบ่มโพธิญาณที่จะให้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพิจารณาโพธิปัจจยธรรมประมาณ7วันต่อจากนั้นก็เสวยข้าวมะทุปลายาตรสอร่อยอย่างยิ่งของพระนาง ะมัคคีลามหาเทวีถวายโอ้เนี่ยผู้ถวายเข้ามาถูกปายาคก็อยู่ไม่ไกลนะมาอยู่ใกล้ก็เลยสบายเลยครั้นี้ไม่ต้องไปหาลูกเศรษฐีที่ไหนแล้วหลังจากที่สวรรเสร็จพระองค์ก็เกิดความคิดจิตคิดจะออกมหาทิเนสกรมอยากจะบวชว่าขอปราสาทที่ประดับตกแต่งแล้วนี้จงไปทางอากาศนะปราสาทก็ลอยไปเลยเนี่ยนะต่อหน้ามหาชนที่กําลังดูอยู่แล้ว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 พระสุธรรมราชขึ้นสู่อากาศเฉกเช่นกับอัญชนะบรรพดสีเขียวปราศาสนั้นมีพื้นปราศาสประดับด้วยพวงดอกไม้สรงกลิ่นหอมอบอวนเหมือนประดับประดาทั่วพื้นอ่ำพรเนี่ยนะเหมือนท้องฟ้านะรุ่งโรจนเหมือนดวงทินกรคือดวงอาทิตย์กลมที่กระทำความงามเสมือนทานน้าทองและดังดวงรัชนีกรในฤดูาส มีขายกระดึงงามกระดิ่งงามวิจิตนาน า, นาชนิดห้อยย้อยเมื่อต้องลมก็ส่งเสียงไพเราะน่ารักน่าใครเหมือนดนตรีมีองค์ห้าที่ผู้ชำนาญเบลงด้วยเสียงไพเราะได้ยินกันมาแต่ไกลเสียงเพรา ะ, ะเพราะเสียงที่ไพเราะนั้นก็ยังลงสู่โสดของสัตว์ทั้งหลายประหนึ่งถูกปเปล้าประลมทางอากาศอันไม่ไกลชายวันะ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 แม่เหล่าสนมหน้าตะนารีณนะที่นั้นก็ขับกล่อมประสานเสียงด้วยเสียงอันไพเราะแห่งดนตรีอย่างดีที่มีองค์หเป็นการออกบวชพิเศษมากเลยนะเรียกว่าดนตรีร่างสนันไปหมดสนมนารียังก็ว่าแบบอะไรนะแบบงานบวชสมัยเราอ่ะนะงานบวชยุคนี้ดนตรีเปล่าร้องประกาศนั่นแหนละเขาว่าได้ยินว่าแม้แต่กองทัพทั้ง4ี่เหล่าของพระองค์ก็งดงามด้วยอภร์คือดอกไม้ของหอม และผ้ามีสีสันต่าง ๆ, ๆานะรวงรุ่งโรดเกิดจากประกายเครื่องอลังการและอาพรเครื่องประดับกายเวทล้อมปราศาสตรทางภาคพื้นนภาอากาศดุดกองทัพถวยเทพดุดแผ่นธรณีที่งามน่าดูอย่างยิ่งจากนั้นปราศาสตรนั้นก็ทำต้นโพพฤกชื่อวต้นนาค่าที่สูงได้8 8สศอกลำต้นตรงอวบกลมประดับด้วยดอกด้วยใบยอ่อนตูมวางไว้ตรงกลาง แล้วก็ตั้งลงที่พื้นดินส่วนเหล่าสนมนาสนารีหญิงฟ้อนรำเป็นต้นใครๆไม่ได้ออกก็ลงจากปราศาสนั้นหลีกไปได้ยินว่าแม้พระโสพิตามหาบุรุษผู้งามด้วยคุณสมบัติเป็นอันมากทำมหาชนเป็นบริวารอย่างเดียวยังวิชาสามให้เกิดขึ้นในยามทั้งสามแห่งราตรี น, นะก็คือวันวิสาขาก็ไปนั่งประทรับที่โคนต้นโพตรสรูนั่นเอง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 การเห็นทุกขาริยสัตว์ไม่ใช่ขณะที่ทุกแล้วจึงเห็นทุกไม่เชื่อไปชวนคนทุกให้ฟังทำดูสิไปบรรยายที่นั่นแหละกับคนที่กําลังป่วยงอไม่สบายเนี่ยนิมนพระประเทศให้ฟังดูเถอะนะครับอยากฟังเท่าไรโรคเนี่ยนะพระองค์ก็ยับยั้งอยู่นะใกล้ต้นโพพึกษ์เจ็ดสัปดาเนี่ยนะก็เชื่อเหรอลงเรืองในตอนที่ไม่ป่วยกับป่วยเนี่ยนะไม่ป่วยฟังธรรมเยอะกว่านี่เพราะป่วยแล้วแต่เรื่องให้เลาแล้วะได้แต่ขี้บ่น ได้แต่บน่นไม่ได้ฟังเทศฟังธรรมอะไรรอกนะบ่นให้คนอื่นฟังไปเรื่อยเปยื่อยมันยากนะถ้าเราไม่สบายแล้วยากที่จะได้ฟังธรรมมันถ้าจะฟังธรรมศึกษาธรรมจะต้องรอให้ป่วยเลยป่วยแล้วโดยมากก็ช่วยเหลือตัวเองอะไรไม่ได้หรอกอนนะร่างกายยังคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วใจละ่ะ น, นะเจ็บปวดนี้นหน่อยใจยมันก็ไปฟุง้งซ่าน บางคนก็บน่นนะกันะทำบาปทํากรรมอะไรมานอว่าะมันจะหายไหมนี่จะรอดหรือเปล่าเนาะโมแต่สงสัยว่าจะไปหรือจะรอดเนี่ยนะโอเคเดี๋ยวแค่นั้นก็เลยไม่ได้คิดอริยศาสตร์อะไรหรอกมันก็ต้องฝึกพยายามฝึกให้ดีๆมันอย่าลืมว่าคนที่มีความสุขเท่านั้นนะ่ะที่จะเห็นธรรมไม่ใช่คนที่กําลังทุกข์กำลังเครียดเนี่ยนะมีคนที่กําลังเดือดร้อนและเป็นทุกข์บรร ล, ลุอยู่ไม่กี่คนนะเนี่ยนะอย่างเช่นนางปตาจาราอะไรอยู่ไม่กี่เจ้า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 ไอ้ที่ป่วยก็หายไอ้ที่รักก็นายไอ้ที่ง่ายมันก็ยากนะเนะี่ยเดือดร้อนไมหมดนะถ้าบาปมันให้ผลไอ้สิ่งที่ไม่มีปัญหามันก็มีปัญหาเดินไปดีๆยังหกล้มเลยอยังงนะไม่เรื่องไม่น่าเชื่อเลยอะ่ะนะไม่น่าจะลม้มมันก็ลม้มปกติเขาวางเท้าก่อนนี่เอาหัวลงก่อนอยังไงนะมันก็คือมันผิดอะไรมันผิดปแปลกประหลาดไปหมดเลยนะ หลังที่มันเคยตั้งมันก็ตั้งไม่ได้และเข่าที่มันปกปติมันก็งอ ง, ง่ายขยับง่ายมันก็ยากยากนะเป็นอย่างนี้และสังคารทั้งหลายหลังจากที่พระองค์ประกาศพระธรรมจากมันจึงกล่าวเป็นคาถาในพุทธวงศ์เล่า ว, ว่าต่อจากสมัยพระรของพระเรวตตพุทธเจ้าก็มีพระพุทธเจ้าพระนาะขอไปต่อจากสมัยพระเรวตะพุทธเจ้า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 ท่านคิดว่าอย่างไรท่านรู้อะไรเนี่ยนะเอาเอาโสดาบัลที่ได้รับพยากรนะโสดาบันแต่งตั้งเอาไว้ก่อนนะเพราะมีโสดาบัลก็มีหลายประเภทเหมือนกันโสดาบันแต่งตั้งโสดาบันเสกกันเองอภิเสกกันเองมั่งว่ากันไปเองมั่งอะไรมั่งมีหลายกลุ่มด้วยกันแต่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 ตอบได้ว่าตัวเองเป็นพระโสดาบานันเป็นต้นเนี่ยนะพยายามทาความเข้าใจจะได้กลับจิตกลับใจซะเนี่ยนะถ้าไม่กลับจิตใจจากปุตตชลเป็นพระโสดาบานันก็แสดงว่าไม่กลับใจจากนรกเหมือนไม่เปลี่ยนใจที่จะตกนรกเนี่ยนะา ข, ขอตกนรกต่อไปก็แล้วกันอบอกก็เรามันปุตุชลถ้าแปลภาษาตรงตัวเลยนะก็เราผู้มีผู้บ่ายหน้าไปนรกเป็นธรรมดา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 เดี๋ยวติดเชื้อประเภทปุตุชนแบบนั้นเข้าเดือร้อนอ่ะปกติมันก็เป็นอยู่แล้วนะแต่ว่าถ้าให้ดีก็ก็อยากจะเปลี่ยนจิตอยากจะกลับใจเหมือนกันกลับใจจากปุตุชนเป็นพระอริยบุคคลพันใครที่บอกแหมฉันนี่เหมือนเดิมทุกอย่างปกติคงเดิมอุ้อนุรักษ์ความเป็นปุตุชนได้สมบูรณ์แบบมากนะมันจะเป็นอย่างนั้นเลยถ้าเขาบอกว่าบางคนเขาบอกเมื่อไหรเมื่อไหร่เขาไม่เคยเปลี่ยนใจเลยนะใจเขาคงที่และคงเดิมว่า อ, อะไรอนุรักษ์ได้ขนาดนั้น พาเวตาประธรมการเจริญกุศลธรรมมีแต่เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปนะไม่ใช่ว่าเมื่อไร่เมื่อไร่ก็คงเดิมแห้งแล้งเหมือนเดิมจืดชืดเหมือนเดิมอันนี้ไม่ใช่แน่นอนเขามีแต่ปีติปราโมทปีติปัสสัตทิสมาธิวิสุทธิแต่ละอย่างเขค่อยเจริญเติบโตขึ้นยิ่งยิ่งขึ้นไปเขามีแต่อย่างนี้ไอ้ที่ถูกมันควรจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะไอ้ที่คงเดิมเนี่ยควรจะเป็นอะไรอมะตะนิพานเท่านั้นแหละคงที่เนี่ยนะหรืออรหัตผลเท่านั้นแหละตาที่โนมั่นคง แต่ถ้าเป็นอย่างอื่นนะให้ให้พร้อมที่จะพัฒนาเธอบาปอกุศลก็เป็นปะหานะถ้ามันลดได้เท่าไหร่ ย, ยิ่งดีกุศลถ้าเพิ่มเท่าไหร่ได้ยิ่งดีปีติปราโมทในกุศลธรรมมากเท่าใดก็ยิ่งดีเพราะฉะนั้นพยายามศึกษาเพื่อการกลับจิตกลับใจเนี่ย น, นะตรงนี้ท่านบอกว่าพระโพธิสัตว์ท่านเปลี่ยนใจละมานสังวินิวัตเตียงพระโพธิสัตว์ยังเปลี่ยนใจเลยเปลี่ยนจากใจที่เป็นปุถุชนมากลายเป็น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 ใกล้ ป, ประตูกรุงสุทัศนะประทับนั่งแสดงอภิธรรมเนื้อพื้นบรรดุกรรมพลศิลาอาตณโคนต้นปริชัตกะในพบดาวเดึงอันเป็นพบที่สำเร็จด้วยนบพรัตน์เก้าประเภทและทองหลังจากจบเทศนาเทวดาเก้าหมื่นโกดตรัสรูธรรมันนี้เป็นอภิสมัยครั้งที่สองกล่าวว่าเมื่อพระโสพิตะแสดงธรรมอยู่นั้น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 ก็สร้างสิ่งเหล่านั้นมอบถวายแด่พิสุสง่์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทําอนุโมทนาทานทรงสรรเสริญการบริจาคทานแล้วพระองค์ก็แสดงธรรมการแสดงธรรมอนุโมทนาเสนาสนาทานเนี่ยนะก็มีผู้ได้ตรัสรู้แสนโกรดนี้เป็นอภิสมัยครั้งที่3ให้รู้ทว่าที่บรรลุมากเนี่ยโดยมากเทวดาไม่ใช่หมายถึงมนุษย์เนี่ยนะ เพราะฉะนั้นจึงมีพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าต่อนั้นมาอีกพระเจ้าพระเจ้าราชบทพระนามวัชยเสนะทรงสร้างพระอารามมอบถวายพระพุทธเจ้าในครั้งนั้นพระผู้มีจักรสุเมื่อทรงสรรเสริญการบริจาคทานการสร้างเสนาสนทานก็แสดงธรรมโปรดเจ้าราชบทนั้นครั้งนั้นก็มีการตรัสรู้ธรรมครั้งที่สาประมาณพันโกดพระราชาพระนามว่า อุคตะสร้างพระวิหารชีวสุนันทะในกรุงสุนันทะถวายแก่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานในทานนั้นพระอาหารหันร้อยโกรธซึ่งบวช ด, ด้วยเอหิภิกขุอุปสมปทาประชุมการพระผู้มีพระภาคโสพิตะก็ยกปาติโมขึ้นแสดงท่ามกลางพระอาหารหันตเหล่านั้นนี้เป็นสาวกสันนิบาตประชมสาวกอาหารหันครั้งที่หนึ่งส่วนครั้งที่สองเนี่ยนะคณะทในเมฆละนะครสร้าง มหาวิหารคณะธรรมก็คือคณะผู้ปฏิบัติธรรมนะสร้างมหาวิหารที่น่ารื่นรมอย่างดีในธรรมคนาธารามธรรมะคณะรามและคณะประพฤติธรร ม, นรร ม, นรรรมเนี่ยนะถวายแด่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานแล้วก็ถวายทานพร้อมบริขารทุกอย่างในสมาคมนั้นพระผู้มีพระภาคเก้าวทรงยกปาติโมกข์ขึ้นแสดงในสันนิบาตการประชุมพระ้าหันเก้าหมื่นโกรธซึ่งมีการบวช ด, ด้วยเอหิภิกขุภาวะนี้เป็นสันนิบาตครั้งที่ สส่วนครั้งที่3บอกว่าสมัยที่พระผู้มีพระพาสเจ้าทรงจำพรรษาณพบของเ ท, ท้าศาสตร์สดเทวดาชั้นดาวดึงเนี่ยนะอันหมู่โทษอันหมู่เทพแวดล้อมเสด็จลงจากเทวโลกในดิถิปวารณาออกพรรษาผมก็ปวารณาพร้อมด้วยพระอรหันประมาณ80อ่โกดในสาวกสันนิบาตอันประกอบไปด้วยองค์4ีคือวันมาฆบูชาเนี่ยนะนีเป็นสาวกสันนิบาต เล่ากันว่าในครั้งนั้นพระโพธิสัตว์ของเรานี้เป็นพรามเชื่อวสุชาตะเกิดดีทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายบิดาฝ่ายมารดาเรียกว่าบริสุทธิ์7็ชั่วตระกูลในกรุงรามมะวะดพะีพระพระโพธิสัตว์ของเรานั้นฟังพระธรรมเทศนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าโสภิตะตั้งอยู่ในสารณะมอบกายถวายชีวิตแด่พระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสารณะที่พึ่งที่ระลึกถึงที่ไปในเบื้องหน้า เสร็จแล้วก็ถวายมหาทานตลอดไตรามาสสเดือนแก่พิสุส่์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานทบุญสเดือนนะ่ะนะแม้พระโสดพิตรพุทธเจ้าพระองค์นั้นก็พยากรสุชาตะพรามผู้เกิดดีทั้งสองฝ่ายว่าในอนาคตต่อไปท่านจากได้เป็นพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคตมะเพราะฉะนั้นพระองค์จึงตรัสเล่าให้ภะษารีบทฟังในพุทธวงว่าในสมัยนั้นเราเป็นพรามชื่อว่าสุชาตะ ในครั้งนั้นนี่เราได้เลี้ยงดูพระพุทธเจ้าพร้อมกับพระสาวกให้อิ่มหนำสำราญด้วยข้าวและน้ำก็คือถวายปัจจัยสีนั่นเองพระโสดพิตะพุทธเจ้าผู้นำโลกพระองค์นั้นก็พยากรณ์เราว่าท่านผู้นี้ต่อไปในอนาคตจักได้เป็นพระพุทธเจ้าในกับที่นับประมาณไม่ได้นับแต่กับนี้ไปก็รายละเอียดก็เหมือนกับที่เรารู้อยู่แล้ว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 ข้อความในตอนสรุปบอกว่าป่าใหญ่มีดอกไม้บานสะพรั่งอบอวนด้วยกลิ่นหอมนาน า, นานชนิดฉันใดป่าพุทธคำสอนของพระโสพิตะผู้ทธเจ้าก็อบอวนหอมหวนไปด้วยกลิ่นคือศีลฉันนั้นเหมือนกันขึ้นเชื่อว่ามาหาสมุทรอันใครใครไม่อิ่มด้วยการเห็นฉันใด